ห้าส <Book> <50 S 3> ิบชนกวชนกวที่สะว่ยน้ำเยสปมิสปมเยปมวันนี้อากาศร้อนเนปจูร์กเนจร์ก เราไปสระว่ายน้ำกันไหม Yes p l e to go t h e r Yes p t o h คุณอยากไปไว่ายน้ำไหม Yes no I w i p l y more e s n p y คุณมีผ้าเช็ดตัวไหม Absent w a <S a s w a คุณมีกางเกงว่ายน้ำไหมพคุณมีชุดว่ายน้ำไหมพ ค, คุณว่ายนา้ำ ไ, ได้ไหม คุณดำน้ำเป็นไหม t คุณกระโดดในน้ำเป็นไหม y e s t e r อาบน้ำได้ที่ไหน ดูชร์ทเ ด, ดชดชรเดชิห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่ที่ไหนทเดซิบตชินล่นชเดซิบตาชินพลั่ิชตเชตชชตว้นตาว่ายน้ำอยู่ที่ไหนพส์นรุงจ์์จทเดชิสนเดชิ น้ำลึกไหมซึรคัวซรคัวน้ำสะอาดไหมซึรควาบซาซรบซน้ำอุ่นไหมซึรฟาบาซรฟาบดิฉันหนาวมาก ช้ชเชน้ำเย็นเกินไปชอออวชอดิฉันจะขึ้นจากน้ำแล้วเซจิดเดดัมพซมสขิจิเซจิเดดัมซมขิจิ